สมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากเนี่ยนะปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสะวะทั้งหลายคือการมาสะวะภวาสะวะและอวิชชาสะวะนั่นเองเพราะฉะนั้นสิกขาเหล่านี้เนี่ยนะถ้าผู้ที่ไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงปลงใจเชื่อเลื่อมใสในศิกขาจิตก็เป็นยังไงจิตก็ น้อมไปเพื่อประกอบความเพียรเพื่อความทาติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมัน่นข้อที่จิตของพิสูจน์น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทาติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมัน่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่สี่ที่พิสูนนั้นละได้แล้วข้อที่สําสำคัญก็คือดู ก, ก่อนพิสูน์ทั้งหลายอีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ไม่โกรธเคืองไม่ใช่เป็นผู้ไม่พอใจมีจิตอันโทสะไม่กระทบกระทั่งหาใช่เป็นผู้มีใจดุจตะปูตรึงใจในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายไม่อันนี้ก็แปลว่าเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังในเพื่อนพรหมจรรย์ประกอบด้วยวจีกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังในเพื่อนพรหมจรรย์ประกอบด้วยเมตตามโนกรรมทั้ง ต่อหน้าและรับหลังมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกั น, กนปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติเสมอกันก็แปลว่าไม่โกรธก็แปลว่ามีเมตตาต่อกันหวังดีปรารถนาดีต่อการหวังความเจริญแก่กันและกันมันจิตของพิสุดใดที่เป็นไปอย่างนี้เนี่ยนะก็ย่อมน้อมไปเพื่อปราลบความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อประกอบเนืองๆ เ, เพื่อความธรรมติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น ข้อที่จิตของภิกษุผู้น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเืองเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้เชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่หที่ภิกษุนั้นละได้แล้วตะปูตรึงใจห้าประการเหล่านี้ชื่อว่าอันภิกษุนั้นละได้แล้วนี่ละตะปูเครื่องตรึงใจห้าก็ต้องถอนเครื่องผูกพันใจหประการอีกนะ ต้องถอนอกุศลออกจากใจอีก5ข้อเครื่องผูกพันใจ5ประการอันภิสูจนั้นถอนได้ดีแล้วเป็นไฉไดูก่อนพิสูจทั้งหลายภิสูจในพระธรรมวิไนัยนี้เป็นผู้ปราศจากความกำหนับปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทะเยอทะยานในวัตถุ ก, กรรมด้วยกิเลสกรรมทั้งหลายเนี่ยนะ ดูความพิสูจนทั้งหลายจิตของพิสูจนผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทะยอยานในวัตถุกรรมด้วยอำนาจกิเลสกามจิตที่ปราศจากการรมแบบนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อประกอบเนืองๆ เ, เพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมัน่น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 ต่อไปดูก่อนพิสูุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิกษุเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทะเยอทะยานในร่างกายแปลว่าเจริญกายคตาสติเป็นอย่างดีเนี่ยนะเจริญกายคตาสติอันสหรคตด้วยความสําราญพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้น ดูความพิสูุทั้งหลายจิตของพิสูุผู้ปราศจากความกำนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทะยอทะยานในร่างกายนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น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 ดูควาพิสูุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิกษุเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทะเยอทะยานในรูปในรูปภายนอกเนี่ยนะรูปที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองก็ด้วยเจริญอสุภาษสัญญาสิบประการเป็นต้นเนี่ยนะดูความพิสูจทั้งหลายจิตของพิสูุผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรัก ปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทะเยอทะยานในรูปนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนื่องๆเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของพิสูจน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่สามที่ภิสูุนั้น ถอนได้ดีแล้วเรียกว่าถอนถอนอะไรตัญหาในรูปนั่นเองก็แปลว่าอะไรก็เจริญอสุภะครธรรมทั้งหลายเนี่ยนะก็กลุ่มนี้เนี่ยนะกลุ่มนี้ก็คือสายเจริญ อ, อสุภะหรือว่าเจริญอะไรรู้อาสาศะและอาทีนวะของการมอาสาศะอาทีนวะของรูปเป็นอย่างดีนี่ข้อต่อไปก็อย่าจะเสลมเสลง่วงเหงานักเหมือนกัน ดูการพิสูจทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิสูจน์ไม่บริโภคไม่อิ่มพอแก่ความประสงค์และไม่ประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอนความสุขในความหลับอยู่ดูการพิสูจนทั้งหลายจิตของพิสูจนผู้ไม่บริโภคจนอิ่มพอแก่ความประสงค์แล้วไม่ประกอบความสุขในการเอนความสุขในการนอนว่าไงความสุขในความหลับอยู่นั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เ, เพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของพิสูจน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเ พ, พียรที่ตั้งมั่นอย่างนีง้ชื่อว่าคเครื่องผูกพันใจประการที่สที่ที่สี่ใช่ไหมพิมพ์ตกที่4ที่พิกษุ น, นั้นถอนได้ดีแล้วดูความพิสูุนทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิกษุ จักไม่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปรารถนาเทพนิกายต้องการแค่ไปเทวดาอันใดอันหนึ่งว่าเราจะได้เป็นเท พ, พเจ้าหรือเทพพ ย, ยดาองใดองหนึ่งด้วยศีลอันนี้ด้วยข้อวัดอันนี้ด้วยตะบะอันนี้หรือด้วยพรหมจรรย์อันนี้ดูกรพิสุทธิ์ทั้งหลายจิตของพิสุ์ผู้ไม่ประพฤติพรหมจรรย์เพราะปรารถนาเทพนิกายอันใดอันหนึ่งว่า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 ข้อที่จิตของพิสูจน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทาติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้เชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่ห้าที่พิกษุนั้นถอนได้ดีแล้วเครื่องผูกพันใจหาประการเหล่านี้ชื่อว่าอันภิกษุนั้นถอนได้ดีแล้วดูก่อนพิษูุ์ทั้งหลาย ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละตะปูเครื่องตรึงใจห้าประการเหล่านี้ได้แล้วถอนเครื่องผูกพันใจห้าประการเหล่านี้ได้แล้วละตะปูเครื่องตรึงใจก็คือละความสงสัยในพระศ า, าสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาและก็ไม่โกรธเพื่อนสัพพรมจันมีครัวาจารย์เป็นต้นแล้วก็ไม่ละความพอใจในกามในกายในรูป แล้วก็ไม่มีไม่เอาความหลับเป็นสาระเนี่ยนะไม่สแสวงหาความสุขจากการหลับแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่ได้ปรารถนาเพื่อที่จะไปสู่พบใดพบหนึ่งนนะไม่ได้ปรารถนาเพื่อเป็นแค่เทวดายัางใดยางหนึ่งเท่านั้น ถ้าละเครื่องละตะปูเครื่องเครืงใจห้าละเครื่องผูกพันใจห้าประการภิกษุเหล่านั้นจักเจริญด้วยศีลสมาธิงอกงามในวิปัสสนาและอริยมรรคภัยบูรในอริยผลและพระนิพพานในพระธรรมวินัยนี้คือในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ นี่ต่อไปภิกษุเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิประธานสังขารก็คือเจริญที่บาทอิทิบาทเนี่ยนะเจริญฉันทะหรือว่ามีฉันทะทํานำหน้าในการเจริญกรรมฐานเป็นฉันทาทิปติเนี่ยนะเจริญฉันท์เพื่ออาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละ หรือว่าเจริญวิริยะสมาธิประธานสังขารจิตตะสมาธิประธานสังขารมิมังสาสมาธิประธานสังขารหมายคำว่าปฏิบัติธรรมโดยมีฉันทะนำหน้าวิริยะนำหน้าจิตนำหน้าแล้วก็ปัญญานำหน้าเรีวแล้วภาคเพียรพยายามเรียก ว, ว่าความขมักขม้นเป็นที่ห้าขมักขม้นอันนี้ก็คือปรารถนาเข้าถึงธรรมะที่ยังไม่เข้าถึงเพื่อบรรลุธรมมธรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ทําให้แจ้ง นะดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุผู้ประกอบด้วยองค์ด้วยองค์องค์15คืออะไรละตะปูตรึงใจหละเครื่องผูกพันใจหเจริญอิทธิบาท4แล้วก็รวมทั้งความขมักขะเม่นเป็นที่5อย่างนี้แลเป็นผู้ควรแก่ความเบื่อหน่ายในวัตตเป็นผู้ควรแก่การตรัสรู้อริยมัคซี หมายความว่าเป็นผู้ควรเบื่อหน่ายด้วยวิปัสนาทั้งหลายเป็นผู้ควรตรัสรู้ด้วยอริยมรรคทั้งสี่เป็นผู้ควรบรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมคืออรหั ต, ตผลก็แปลว่าผู้ที่มีคุณสมบัติประจําตัวสิบห้าอย่างควรแก่การบรรลุมรรคผลและนิพพานในระดับอรหั ต, ตผลดูกรพิสูททั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สิบห้ารวมทั้งความขมักขม้นอย่างนี้ เป็นผู้ควรแก่ความเบื่อหน่ายด้วยวิปัสนาทั้งหลายเป็นผู้ควรแก่การตรัสรู้ด้วยอริยมรรคทั้งสี่เป็นผู้ควรแก่การบรรลุธรรมะอันปลอดโปรง่งจากโยคะอย่างสูงยอดเยี่ยมคืออรหัตผลเปรียบเหมือนไข่ของแม่ไก่แปดฟองสิบฟองหรือสิบสองฟองแม่ไก่ ก, กกไว้โดยชอบทําให้อบอุน่นโดยชอบฟักโดยชอบถึงแม่ไก่นั้นจะไม่ปรารถนาอย่างนี้ว่า ขอให้ลูกไก่เหล่านี้จงทําลายเปลือกไข่ด้วยปลายเล็บเท้าหรือด้วยจงอยปากออกมาโดยสวัสดีก็ตามถึงอย่างนั้นลูกไก่เหล่านั้นก็ทําลายเปลือกไข่ด้วยปลายเล็บเท้าหรือด้วยจงอยปากออกมาโดยสวัสดีฉันั้นนะขอให้มีคุณธรรมทั้ง15ประการเรียกว่าความขมักขม้นเป็นข้อที่สิเรียกว่าขมักขม้นเพื่อบรรลุมรรผลถึงยังไม่ปรารถนาก็จะบรรลุอย่าง ไม่ช้านานสักเท่าไรเนี่ยนะมีคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องอุปมาแม่ไก่แม่ไก่ฟักไข่เนี่ยนะในหน้า183กลางหน้าบอกว่าจริงอยู่เพราะไข่ทั้งหลายอันแม่ไก่นั้นเพียนฟักด้วยอาการสามอย่าง น, นะนนก็คือฟักด้วยกกทำให้อบอุ่นแล้วก็ฟักเนี่ยนะ ไข่นั้นก็จะไม่เนา่ายางเหนียวของไข่เหล่านั้นก็จะถึงความแก่ขึ้นเปลือกไข่ก็จะบางปลายเล็บเท้าและจะงอยปากก็จะแข็งไข่ทั้งหลายก็จะแก่รอดแสงสว่างข้างนอกก็จะปรากฏเข้าไปข้างในเพราะเปลือกไข่บางเพราะฉะนั้นลูกไก่เหล่านั้นจึงใคร่ปรารถนาที่จะออกมาด้วยคิดว่าเรางอปีกงอเท้าอยู่ในที่คับแคบเป็นเวลานานแล้วแปล ว, ว่าต้องอยู่ในเปลือกอยู่ในไข่มานานแล้ว และแสงอ๋อไนะและแสงสว่างภายนอกนั้นก็ปรากฏแล้วบัดนี้พวกเราจะอยู่เป็นสุขในที่มีแสงสว่างนั้นจะไปนั่งอุดอูด้ขุดคูดอยู่ในเปลือกไข่ทำไมน่นะดังนี้แล้วก็กระเทาะเปลือกด้วยเท้ายื่นคอออกจากนั้นเปลือกก็จะแตกออกเป็นสองส่วนลำดับต่อมาลูกไก่ก็จะขยับปีกร้องออกตามสมควรแก่ขณะนั้นจากนั้นก็จะเที่ยวหากินตามบ้านตามตามบลต่าง ตามไปก็เรียกว่ามีความสุขเยี่ยงไก่เทรานั้นอุปมานี้เปรียบเหมือนว่าบัณฑิตหรือนักปราชถ์ควรเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าภิกษุนี้พูดถึงพร้อมด้วยองค์15รวมทั้งความอุตสาหะเปรียบเหมือนแม่ไก่นั้นทํากิริยาสามอย่างในไข่ฉะนั้นนะเปรียบเหมือนอะไนคนที่มีองค์15ก็เปรียบเหมือนทั้งกบทั้งฟักทั้งอบอ่ะนะไขอะ่อ่ะมลลักษณะนี้ยังไงมันก็ต้องฟักอยู่แล้วอะ่ะเชื่อ ความที่ไม่เสื่อมแห่งวิปาาัสนาญาณเพราะความถึงพร้อมด้วยอนุปัสนาสามไม่เสื่อมจากอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาและอนัตตานุปัสนาส่องในขันห้าทั้งสิเอดนี่ยนะทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันสองในขันห้า้วยอาการสิบเอ็ดอย่างนี้อย่างแม่นยำและประกอบด้วยคุณสมบัติประจําตัวอีกสิบห้าประการก็เปรียบเหมือนความที่ไข่ทั้งหลายไม่เน่าเพราะความถึงพร้อมด้วยกิริยาสามอย่างของแม่ไก่ฉะนั้น การถือเอายางเหนียวยางเหนียวเนี่ยนะคือความใค่อันเป็นไปในภพสามด้วยความถึงพร้อมด้วยอนุ ป, ปัสสนายสามอย่างของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนความแก่รอบแห่งยางเหนียวของไข่ทั้งหลายด้วยการกระทำสามอย่างของแม่ไก่ฉะนั้นความที่เปลือกไข่คืออวิชชาของภิกษุนั้นเป็นธรรมชาติเบาบางความที่เปลือกไข่เป็นธรรมชาติเบาฉะนั้นอวิชชาก็บางไปเรื่อยๆเหมือน เปลือกบางเพราะว่าเปลือกที่หุ้มห่อเราทั้งหลายก็คืออวิชานั่นแหละมันหุ้มห่อเอาไว้ความที่วิปัสสนาญาณของพิสุเป็นธรรมชาติคมแข็งผ่องใสแก่กล้าเปรียบเหมือนความที่ปลายเล็บเท้าและจงอยปากของลูกไก่เป็นธรรมชาติกระด้างและก็แข็งฉะนั้นกาละเป็นการเปลี่ยนแปลงการเจริญขึ้นแห่งการถือเอาห้องแห่งวิปัสสนาญาณ ของวิปัสนามาว่าวิปัสนาเจริญยิ่งขึ้นไปก็เปรียบเหมือนการแปรไปแห่งลูกไก่ทั้งหลายฉะนั้นก็คือเติบโตขึ้นโดยลำดับการที่ภิกษุนั้นให้ห้องคือวิปัสนาเนี่ยนะเที่ยวไปเรียกว่าได้อุตส ป, ปายะโพชนะส ป, ปายะบุคคลส ป, ปายะเรียกว่าได้ อุตุที่เกื้อกูลต่อการเจริญสมถาวิปัสนาได้อาหารที่เกื้อกูลต่อการเจริญสมถาวิปัสนาได้อยู่ร่วมกับบุคคลที่เกื้อกูลต่อการเจริญสมถาวิปัสนาได้ฟังธรรมที่เกื้อกูลต่อสมถะและวิปัสนาวิปัสนายานั้นก็เจริญขึ้นนั่งบนอาสนะเดียวก็ทําลายเปลือกไข่คืออวิชชาด้วยอรหัตมรักบรรลุโดยลําดับขยับปีกคืออภิญญาบรรลุเป็นพระ้าหันโดยสวัสดีและ ปลอดภัยทำลายออกมานอกกระเป๋อแห่งอวิชาแล้วทีนี้ขณะที่กำลังจากระเทาะอยู่นั้นพระศ า, าสดาเนี่ยรู้ความแก่งอมหมายว่ายานเนี่ยแก่กล้าหรืออินซีของพิสูจนนั้นแก่กล้าแล้วก็แผ่โอภารสรัศมีเนี่ยนะไปปรากฏเฉพาะหน้าแสดงทำแสดงทำเพื่อทำลายไข่คืออวิชาด้วยคาถาว่าบุคคลพึงตัดความรักของตน ดุดแดดดุดเด็ดดอกโกมุตในสาระการด้วยมือเขาบอกว่าวเคยไปถอนบัวไหมฉันใดถอนบัวฉันใดก็ตัดอะไรในอัตภาพคืออุปาทานขันห้าของตนฉันนั้นเธอแล้วก็พอกภูนอริยมรักซึ่งเป็นทางแห่งสันติคือพระนิพพานเท่านั้นพอกภูนอริยมรักซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเพราะพระนิพพานเป้าหมายสูงสุดพระสุคตเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้ว พระจำพิสูจน์นั้นก็ทำลายเปลือกไข่เือวิชานในบรรลุเป็นพระทหารในเวลาจบพระคถาแสดงทำจบบรรลุเลยประั้นหลังจากนั้นพิสูจนนั้นก็เป็นพระมหิมหาขีนาศพบรรลุพระสมาบัติมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เที่ยวอย่างสังขารามคือวัดให้งามเที่ยวไปฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสู่ที่แสดงแสดงอะไรปหานะสี่ปฏิสังขารปหานะละตะปูเครื่องตรึงใจเนี่ยนะ ชุดแรกฝ่ายวัตตะนั้นเป็นการพิจารณาอย่างที่สองก็ข่มด้วยอิทธิบาทเจริญสมุดเชธปะสมุดเช ท, ป ร, เชทประหารเมื่ออริยมรรยมรม า, มาแล้วก็ปฏิปสัตยิประหารเมื่ออริยผลมาพั้นก็พระสูตรนี้ก็จบลงด้วยพระอรหัตผลเนี่ยนะแต่ที่สําคัญก็ต้องว่าผู้ที่จะบรรลุอรหัตผลได้ก็เนื่องจากมีคุณธรรม15ประการอยู่ในตัวก็คือละตะปูเครื่องตรึงใจห้า และเครื่องผูกพันใจ5เจริญอิทิบาท4แล้วก็มีความขมักขม่นเป็นข้อที่15้เนี่ยนะรวมทั้ง15ข้อนั้นก็เป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นบุญกุศลคุณงามความดีที่เราทั้งหลายได้ฟังมาแล้วตลอดวันนี้จงเป็นอุปนิสัยเป็นบุญวาสนาให้ได้ตรัสรู้ตามพระเรียเจ้าเหล่านั้นโดยทั่วกันนะวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้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 เจ็ดหนึ่อหนค่งห้าเก้าัก้าเจ็ดตึงแปดขออนุมโมทนาา่า